ผูทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาตามเวลาเช้าตรู่อย่างนี้ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอดิฉันสันส น, นาธพงศ์นะคะก็จะมาพบกับท่านพร้อมทั้งการาบราชนาพระมาฮาไพบูลย์พิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะมาเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธพจน์หรือว่าพุทธวจะนะให้กับพวกเราทุกๆคนและรายการนี้ ยนถึงว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องบอกกล่าวให้รู้ตัวจัล่วงหน้าว่าเมื่อท่านไปบูรณ์มาแล้วก็หมายความว่าท่านทั้งหลายจะได้เริ่มต้นปฏิบัติ ธ, ธรรมไปพร้อมๆกับการนําของท่านด้วยพระสูตรที่ท่านได้เลือกมาให้พวกเราได้ทําความเข้าใจกันไปในห่วงเวลาของรายการทั้งหมดเลยด้วยนะคะเดี๋ยวไปกราบนมัสการท่านว่าวันนี้ท่านจะนําพวกเราปฏิบัติธรรมและจะมา แนะนำให้พวกเรารู้จักคำสอนของพระศ า, าสดาในประสุ่เรื่องใดกันกล่กกาว น, นพุทธการกับทั้งคะเชิญพานในเรื่องของการปฏิบัติธรรมพระพุทจ้าได้เคยตรัสถึงว่าบุคคลใดก็ตามในที่เป็นผู้ที่สามารถที่จะละนิวรมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระ ง, งับไม่กรนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณเดียวบุคคลที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือว่านอนตื่นอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่เพียรเผากิเลสสิ่งหนึ่งที่เราได้ใจความจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่เรามีสติไม่ลืมหลงสติที่ไม่ลืมหลงนี้ก็คือมันจะต้องมีที่ตั้งที่ตั้งที่ให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่หรือลึกอยู่ดำรงอยู่ที่ที่จะให้จิตเรามาตั้งอยู่ดำรงอยู่นึกถึงอยู่นั้นแต่ถ้ามีที่นี้จิตเราอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงสถานที่ที่เราพูดถึงนี้ นั่นก็คือลมหายใจนั่นเองนะั่ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมเหมือนอย่างที่โพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราหรือว่าแม้แต่อัครส า, าวกอื่นๆที่มีการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีลมหายใจนั้นเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่เหมือนกันโดยให้เรานั้นมาสังเกตการสังเกตก็หมายถึงว่าให้มารับรู้ถึงสัมผัสอันใดอันหนึ่งที่เรารับดูได้จากการที่ลมหายใจมันผ่านเข้าพัานออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ เวลาที่เราหายใจเข้านะลมมีการเคลื่อนไหวก็จะมีการกระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆในะบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนะั่นคือโพรงจมูกของเราแนะเรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นการที่จิตของเรามาตั้งอยู่กับลมหายใจนั้นก็ชื่อว่าคุณตั้งจิตขึ้นแล้วการตั้งจิตไว้ที่นี่สติ ก, ก็จะเกิดขึ้นทันติมีสติอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ลืมลงในลมหายใจ มีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายก็จะเป็นผลมาจากการที่เราตั้งสติไว้เรื่อยๆเวลาที่ใจของเราไม่แสบสายไปตามสิ่งที่มากระทบทางกายก็ตามทางเสียงก็ตามทางความคิดก็ตามทางกายของเราก็จะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงนั่นก็จะเป็นกายที่มีความนิ่งมีความเบาสบายซึ่งเป็นผลจากการที่เราค่อยๆตั้งสติของเราขึ้นในเรื่องของสตินั้นนะเป็นหนึ่งใน 2- สมเหตุปัจจัย ที่จะทำให้พระสัธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ได้นานในขณะที่เราเจริญสตินี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สืบต่อคําสอนของพระพรุทธเจ้าอยู่แล้วพระุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับท่านพระมาหากระสปะในเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีศรธรรมตั้งอยู่ได้นานหรือไม่นานที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศิกขาบทที่บัญญัติเอาไว้ได้ตรัสกับท่านพระมาหากระสปะไว้อย่างนี้ว่ากระสปะเมื่อมูสัตว์เลวลง พระัธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอ า, หารหันตผลจึงน้อยเข้าสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองคำเทียมเกิดขึ้นทองธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระธรรมก็ฉะ น, นั้นสาทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระธรรมก็ยังไม่เลือนหายไป เมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเลือนหายไปกประสปะธาตุดินยังพระสัตธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมก็ยังพระสัตธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัตธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนนเท่านั้นพระสัษ์ธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการชนี้กสปะเหตุไฟต่ำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นใบป้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายไปแห่งพระศัษ์ธรรมเหตุไฟต่ำห้าประการคือการที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ไม่เคารพไม่ยำเกรงในศีกขาและไม่เคารพไม่ยำเกรงในสมาธิเหตุฟายทำห้าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายไป แห่งพระัธรรมกระสะปะเหตุห้าประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสะธรรมเหตุห้าประการคือการที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมไว้ไนใดนี้มีความเคารพย่อมเกรงในพระศาสดา มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพยำเกรงในสิกขามีความเคารพยำเกรงในสมาธิเหตุให hey, ้ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นใบพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟันฟ่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสธรรมพร ะ, ะนันในการที่เรามีสติตั้งมั่นเอาไว้อย่างนี้ กคือการที่เราพยายามที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้พระสัตรธรรมนั้นตั้งอยู่ได้นานจนบอลสาธุคะ่ะพระพุทธองค์ก็ทรงห่วงใยเหมือนกันนะคะที่ว่าพระสัตรธรรมคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นความเป็นจริงอันสูงสุดยิ่งเนี่ยจะหายไปทีนี้ อ, อย่างกับบางทีพวกเราก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้คิดถึงความเสียหายใช่ไหมคะใช่ใ่เพื่จะคิดถึงว่าพระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่มาได้ด้วยตัวเองเนี่ยถึง 2,600 ปีแล้วทำไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้อืมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคุณโยมติ๋อเพราะว่าเอ่อตรงเนี้ยพุทธเจ้าตรัสไม่ชัดเจนนะคือป ร, รากฏเหตุที่ท่านพระมหาัส ป, ปะเนี่ยมาถามว่าเอ๊ะทำไมบางทีข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะนะแต่ว่าพระอาหารหันเนี่ยกับน้อยในขณะที่ เมื่อก่อนๆ น, น, น, นี่หมายถึงช่วง10ปีแรกของการที่บริษชาพึ่งประกาศคำสอนเอาไว้เนี่ยช่วง10ปีแรกเนี่ยสิกขาบทไม่ได้มากมายอะไรนะสิกขา <c oughs> บทเนี่ยหมายถึงข้อที่สอนให้ปฏิบัติต้องทําอย่างนี้นะการทําตัวต้องทํำนี้บิดาบัดต้องไปอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรเยอะแยะไปหมดนะเหมือนกับสมัยช่วงท้ายๆของพุทธกาลแต่ว่ามีพระอาหารหันต์มากนะมีคน <c oughs> นับถือมากนะนั่นก็เพราะว่า เออคนที่เขาทําไม่ดีเนี่ยมีน้อยใช่ไหมแต่พอเริ่มมีคนที่ทําให้ดีมากคนที่ทำไม่ดีก็คือภิกษุภิกษุณิอุบาสกบาสิกาเนี่ยเริ่มนอกแนวมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็ต้องออกสิขาบทมาเพื่อที่จะห้ามปรามตรงนั้นนะออกมามากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าพระอรหันก็กลับน้อยลงน้อยลงอย่างนี้ค่ะอ่านี่ก็แปะว่าคนทําให้ดีเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาค่ะคือบางครั้งนี่ฉก็มักจะชอบมองคนแง่ดีก่อนนะคะ ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําทไม่ดีหรอกแต่ว่าไม่ได้รู้ซึ้ง<ช>ถึงสิกขาบทคือดิฉันจริงอยากจะถามว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดน่ยเหมือนกับว่าสิกขาบทเนี่ยเป็นข้อห้ามซึ่งถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะคํานึงถึงแต่เรื่องของวินยัยใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายรวมถึงศีลต่างๆด้วยหรือเปล่าคะออคือศีนจะเป็นข้อควรปฏิบัติด้วยค่ะถูกถตอ้องศีล ส, สมาธิปัญญาด้วย นะคือถ้าต้องสอนกันมากสอนกันพร่ำสอนบอกสอนตรงนั้นตรง น, นี้นั่คือพวกนี้คือสิกขาบทนั้นมีศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาก็มีเดีวฉันเห็นพระสูตรเนี่ยชื่อสัตยธรรมปฏิรูปกร ะ, กะสูถ้าอ่านแบบบาลีใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องก็หมายถึงว่าสัตยธรรมปฏิรูปอย่างเช่นที่ท่านได้อ่านนําพวกเราปฏิบัติทําไปเนี่ยแต่ว่ า, าถ้ายังไม่ปฏิรูปพระสัตธรรมระ ก, ะกะ็ยังตั้งอยู่แต่ปฏิรูป <laughs> พระสัตธรมรมจะเลือนหายไป <laughs> ในขณะที่สังคม ของเราเมื่อจะพูดถึงว่าการปฏิรูปเป็นการนํานไปส<ด>ู่อะไร<ช><ช>ที่ดีกว่ากัาค่ะนี่แหละนี่แหละทีนี้ในความหมายอของพระสูตรนี้เนี่ยคือการปฏิรูปในที่นี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปจากที่บุรุษชาบอกสอนเอาไวน้นอกแนวไปครับก็คือเป็นเป็นการที่ชี้ให้เห็นด้วยนะว่าอะไรที่บุรุษชาไม่ได้บัญญัติเนี่ยแล้วคุณทําขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําให้ตัวเดิมเ น, เนื้อแท้เดิมเนี่ยหายไป ค, คือต้องบอกว่าของพระพุทธองค์นี่เป็นสิ่งที่ยอดแล้วยอดแล้วห้ามปรับห้ามเปลี่ยนอย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมค ะ, ะมันก็จะมีที่ผิดตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเสื่อมได้ค่ะทีนี้พูดถึงเหตุฝ่ายต่ำห้าประการใช่ที่เป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัตธรรมที่ท่านอธิบายไว้ก็คือพระธรรมพระพุทธพระธรรมประสงค์สิกขาแล้วก็สมาธิทีนี้ ก็เท่ากับว่าพวกเราต้องรู้รู้จักพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะรู้จักคำสอนของพระองค์รู้จักนนพระสงฆ์ของพระพุทธองค์เราถึงจะจะมีความเคารพยำเกรงใช่ค่ ะ, ะความเคารพยำเกรงในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรากลัวเราละอายต่อการที่จะทำผิดนะต่อสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าเช่นว่าถ้าพูดถึงพระธรรมนะพระธรรมสอนให้คุณรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้น นะให้สอนให้คุณทำสมาธิอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราแบบไม่ครบยําเกรงคือเราก็ไม่ทําตามอย่างเงี้ยทําผิดทําแบบนอกแนวไปก็ชื่อว่าไม่ครบยําเกรงแล้วก็จะเริ่มเสื่อมตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสมาธิก็คืออย่างที่ท่านได้นําทําในรายการนี้ตั้งแต่ต้นพร้อมกับอ่านประสู์ให้ฟังเป็นประจําทุกวันมีอะไรพิเศษกว่านี้ไหมคะอันนี้ก็จะหมายถึงเรื่องของมิจฉาสมาธิด้วยะนะมิจฉาสมาธิเนี่ยก็หมายถึงอย่างเช่นคนที่เขาจะล้วงกระเป๋า เป็นโจรเป็นขมโมยเนี่ยก็ต้องคิดแผนการบางทีมีความแยบกายกลโกงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะซึ่งต้องใช้กําลังจิตนะซึ่งตรง น, นี้เขาต้องมีสมาธิแน่นอนแต่ว่าสมาธินั้นเน่ยเป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิค่ะดิฉันเคยไปโรงงานทําเซรามิกแห่งหนึ่งนะคะอืมเยวบน้นเดีฉันจะถามว่าสิ่งที่คนงานปฏิบัติซึ่งเดียนก็ว่าดีนะคะเป็นการทําสมาธิหรือไม่คือพวกนี้เขาจะต้องทํางานศิลปะดังนั้นการที่จะวาดลายลงไปบน พวกเครื่องตั้นก่อนจะนำไปเผาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้สมาธิสูงพร้อมกันนั้นเขาฟังวิทยุธรรมะด้วยนะคะท่านคะโอ้ดิฉันอยากทราบว่าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสมาสมาธิแล้วหรือยังสัมมาสมาธิเนี่ยก็คือความที่เรามีจิตที่ไม่คิดเรื่องที่เกี่ยวกับกามนะไม่เกี่ยวข้องกับกามปยาบาทเปลี่ยนนะเป็นจิตที่ไม่มีอกุศลธรรม แล้วเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์บรรเดียวนี่คือสมาสมาธิน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นการที่เขาอาศัยอะไรเหตุปัจจัยอะไรในการที่เขาจะทําตรงนั้นได้ในการฟังธ ร, รรมช่วยได้ไหมอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคือหมายถึงพนัก ง, งานที่นั่นน ะ, ะเขาก็อาจจะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะัยฟันทงว่าทุกคนที่ฟังรายการธรรมะแล้วจะต้องมีสมาธิชนิดที่เป็นสัมมาสมาธิก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกัน นั่นน่ะสิคะทีนี้ที่ดิฉันถามเนี่ยก็เพื่อที่จะไปปรับประยุกต์สําหรับหลายๆท่านที่การจะบอกว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่สามารถฟังทำไปด้วยได้นะแล้วก็เรารู้สึกเหมือนกับเรากําลังมีสมาธิทําสมาธิไปด้วยแต่ไหนๆก็มีโอกาสทําแล้วทําอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ในทางเป็นสัมมาสมาธิได้มากที่สุดอยากจะให้ท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างนะคะว่าที่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นผลด้วยเหมือนกันแล้วคือผลที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย คือเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการที่จะรู้แจ้งรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะสมาธิจะเป็นไปในลักษณะนั้นแต่นี้ว่าถ้าเราเอาผลของมันไปนในการที่ใช้ทํางานอันนี้ก็คือจะไม่ได้ก็เรียกว่าจะไม่เป็นผลที่ทีเ่เขาต้องตั้งใจไว้ที่สุดนะคือผลที่สุดท้ายนะก็จะไม่ตรงทีเดียวนะักทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นตรงเป๊ะๆ น, นในเรื่องของเป็นผู้ที่มีความครบยําเกรงในสมาธิเนี่ยก็คือว่า สมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นใบเพื่อปัญญาเป็นใบเพื่อการที่จะรู้แจ้งเป็นใบที่จะปล่อยวางเป็นใบที่จะรู้พร้อมเป็นใบเพื่อที่จะถึงความวางได้ปล่อยได้เพราะฉะนั้นเวลาอย่างสมมติเราทํางานอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเราทําไปทําไปอ่ะคุณก็ทําไปแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พอใจเกิดขึ้นนะเช่นวิทยุดับไฟดับนะหรือว่าเขียนออกมาแล้วมันไม่สวยเราก็อย่าจีดปิดปาดขึ้นมานะอันนั้นแสดงว่าเออสมาธิที่คุณมีในช่วยได้แน่นอน ช่วยในการที่ทําให้คุณเห็นจริงว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้เราก็วางได้คือเร่เขา้าใจว่ารแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่ก้าวหน้าไปถึงขนาดาใกล้จะได้ประโยชน์เต็มที่ดังที่พระพุทธองค์สอนแต่มันเป็นไปได้ใช่ไหมคะพูดถึงนะถ้าทําถูกจริงๆนะเป็นไปได้ถึไไก้กระทั่งทํางานอยู่เป็นไปเส้นทางเดียวกันเป็นทางเดียวกันแต่นี้ว่าความที่อินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากัน บางคนแอะแก่อินทรีย์แก่กล้าบางคนอินทรีอ่อนใช่ไหมพอเขาทําสมาธิตรง น, น, นั้นก็อาจจะไปคิดเรื่องอื่นอะไรบ้างก็อาจจะมีแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าในสมาธิตรงนั้นก็จะเป็นไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยอนิพพานได้วางได้นั่นเองเพระที่ท่านเคยได้ยินบทกลอนที่ท่านพุทธทาสแต่งจําได้แต่ช่วงต้นๆนะนะคะท่านก็พูดถึงว่าจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างอืยังก็เลย เ, เข้าใจว่าเอ๊ะ ทำงานจริงๆงานที่บรรลุวัตถุประสงค์นั่นแหละทําด้วยจิตว่างได้จกต้องคำคำว่าว่างในที่นี้เนี่ยคือว่างเปล่าจากอากุศลธรรมค่ะนะคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วว่างแล้วมันจะคิดงานได้ยังไงล่ะฉันต้องเขียนรเรียงความนะฉันต้องคิดทําผลิตภัณฑ์ะอะไรต่างๆออกมาอย่างเงี้ยโดยช่วงนี้งานเขียนเนี่ยมันจะไม่คิดมันไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณจะคิดนะให้คุณคิดว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้คือความว่างที่ท่านหมายถึง ซึ่งเข้าใจว่าพูดถึงที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความใสต่ต่ำทั้งในเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าถึงขนาดทำสมาธิแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เคารพยำเกรงพระพุทธองค์แล้วถึงได้ศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธองค์ใช่คะใช่ใช แล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติแต่ว่า เ, าเข้าใจว่าก็คงไม่ง่ายต้องอาจจะต้องพยายามทําแบบมีรูปแบบไปด้วยควบคู่กันไปใช่ใช <c oughs> ตรงนี้ก็จึงเป็นเหตุให้อดามาต้องมาไฮไลท์ตรงนี้ที่บุรุษชาวพูดถึงว่าทองคําปลอมนะทองคอําปลอมเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ทองคําจริงเนี่ยหายไป <c oughs> นะของปลอมนะคืออะไรที่มันปฏิรูปขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับเดิมนะของต้นฉบับเดิมจะหายไป อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับอย่างภิกษุถ้ามีภิกษุปลอมเกิดขึ้นภิกษุไอความจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมไปในภิกษุปลอมก็คือว่าจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นภิกษุตอกแต่ว่าคือศีลเนี่ยมีไม่ครบเช่นปราชิกแล้วบ้างอะไรบ้างแต่ก็แฝงตัวมาอยู่ในหมู่ภิกษุอย่างนี้อาจจะมีอาจจะทําให้เสื่อมได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นผู้ฟังรายการหลายๆท่านหรือดิฉันเองนะคะก็ใช้ใช้เขาอะไรเลยะคะ ที่ผ่านมาเขไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะว่าอย่างนี้จริงอย่างนี้ปลอมก็มาเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้พยายามมาศึกษาคําสอนของพระพุธองมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ปฏิบัติบาง ท, ท่านที่บอกตนเองว่าเป็นภิกษุใช่ไหมคะท่านก็มีส่วนหนึ่งของการทำทำให้คนศรัทธาได้ใช่ใช่ <c oughs> ก็นี่คือของปลอมนะซึ่งมันดูเหมือนของจริงไปะเลย mm, แต่ว่าคุณสมบัติบางอย่างที่สําคัญจริง ๆ, ๆเนี่ยไม่เหมือน เราไม่ต้องพูดถึงพิสุก็ได้เอาอุบาสกอุบาสิกาปลอมก็มีน ะ, อ, นะอุบาสกอุบาสิกาปลอมเนี่ยก็คืออะไรลักที่ทำให้คุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผรู้ชาพูดจอยชัดเจนมีสีข้อเนีคือศรัทธาในพระพุทธพระอรรระสงค์แล้วก็มีศีล น, นะสข้อนี้เอาอย่างขี้หมูขี้หมาเลยเอา3ข้อเอาข้อเดียวพอก็ได้นะคือศีล5ครบบริบูรณ์นะศีลหครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่ศีลห้ครบบริบูรณ์เนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงนะถ้าศีล5คุณไม่ครบบริ อ๋อเลยพนักงานนี่นี่คืออนุมารติความนะอนุมารติความเพราะว่าขาเพราะว่าอความ definition นะนะ definition ของคนที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือคุณต้องมีศีลนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลแล้วบอกว่าฉันเป็นคนพูดฉันเป็นคนพูดเนี่ยอันนี้คุณเป็นคนปลุกปลอมนีกเหรอไหมเอางั้นถ้าสมมุตินะคะอ่าบางคนก็ไม่ได้รักษาศีลครบทั้งห้าก็มีบ้างหรือไม่ศีลเนี่ยก็ทําไปอ่า ในชีวิตปกติตรงไหนหย่อนได้บ้างก็ยกเว้นสักวันหนึ่งแต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางทาบุญบริจาคทานทาบุญกับวัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้มมไม่ถือให้เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาซะหน่อยนะครท่านคะก็นี่แหละที่ว่ามีการปฏิรูปนะคุณยมเดียวนี่คือว่าแต่ถ้าเราจะดูเราควรจะดูที่คุณธรรมทางจิต แน่นอนคุณธะทำเรื่อง อ, อื่นเราก็ต้องดูด้วยเช่นเรื่องการที่ให้คาถาเขาให้ทานมีสรัทธ์ในคําสอนแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าคนมีศรัทธาจริงๆมากถึงจุดที่เรียกว่ า, เ, าเขาจะมีความเพียนในการกระทำแล้วก็จะต้องสามารถรักษาศีลได้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถูกนับไปเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าใชา่รวมกับภิกษุภิกษุณีในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของสิบพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไหมคะใช่เป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาให้สัตยธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นอนค่ะอ๋ะเอเนนีิดว่าวันนี้เราก็ได้ทบทวนตัวเองดูเหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำอะไรให้ยิ่งขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้อ่าครบถ้วนคุณสมบัติของการที่จะเป็นอุบาสกบาสิกาได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันนีนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตรงนี้นะคุณโยมเดียวมามีความ ค, คิดว่ า, าสัตรธรรมจริงๆเนี่ย ก็ อ, อย่างดีอีกในพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงว่าคือสิ่งที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาอันนี้คือเราสามารถรวมรงในลักษณะที่ว่าเป็นพระสัต ธ, ธรรมแล้วก็เป็นพุทธพจนะ์ห้าอย่างนี้นเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเป็นพุทธพจนะ์ห้าอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสัตย์ตามได้แต่แรก็ตามที่ เป็นคําสละสลวยแต่งขึ้นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกนะที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสัตธรรมปฏิรูปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันจะเป็นกับตรงข้ามกันอยู่นะเราก็ต้องเอาส่วนที่เป็นสัตธรรมแท้จริงเอาไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองทบทวน ก, นกันดีนะคะคือไม่ใช่ถ้อยคําที่พูดกันอยู่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตบางท่านก็อาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ใช่มีถ้อยคําที่มี ความหมายลึกใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีความหมายลึกซึ้งอ่าเป็นชั้นโลกุตระว่าจะพูดเรื่องสุญญาตาชั้นโลกุตระนี่สําคัญมากคือไม่ใช่เรื่องโล ก, โลกทั่วๆไปอโลกุตระนี่แปลเที่เหนือเหนือโลกเหนือโลกนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่าดูเหนือโลกได้โลกุตระแล้วเป็นอะไรอีกน ะ, ะแล้วก็เป็นเรื่องของอ่าชั้นสุญญาตาเรื่องของสุญญาตาคือความว่างอือ ก็คือไปตามทางพระพุทธองค์สอนในริยสัจสี่โดยเฉพาะในส่วนของอข้อที่สีเลยนะคะทางให้ใเป็นการได้พุทโธมาถเป็นเรื่องโลกุตะใช่ใช่เตือนผ่านเป็นไปเพื่อสุนทีนี้อ่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติสาวกนะพูดเรื่องพุทธพจน์นะพูดเรื่องที่เป็นชั้นจุตสุญญาตาพูดเรื่องที่เป็นโลกุตระเนะี่ยเป็นไปเพื่อความวางความว่าง อันนี้ก็เป็นสัตธรรมเหมือนกันเรียกว่าเป็นส่วนของสัตยธรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องนอกแนวแถ้าสาบวกอธิบายตรงสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ฟังได้เหมือนกันนะเจริญบานค่ะแต่ถ้ า, าการที่อยู่สัมปทานคะถ้ามหาเถรพื้นโลท่านได้นําในที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วก็เอามาทาํำรากเข้าใจง่ายขึ้นแต่ไปสู่การปฏิบัติด้วยเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้นะคะว่าตรรมา พระพุทธองค์นั้นเนี่ยต้องนำเอาไปสู่การปฏิบัติด้วยท่านจึงจะเปได้ด้วยตนเองเวลาหมดแล้นะคะเชืานนะคะก็ต้องการสักการขอบพระคุณท่านเทบุตรหรือว่ากระมหาเทบุตรพิบุรนโนหมดปารณไฮโซเดินทางมีแวะมาการนี้นะคะการสักการเชืผ่านกระทำฟังคะในวันนี้นี่ถือว่าเป็นสุดยอด ของความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าตัวเราเองจะได้เป็นคนที่ไม่ได้ทําให้พระสัตยธรรมซึ่งเป็นอมตะธรรมที่พระพุทธองค์ที่เราศรัทธาเป็นอย่างยิ่งตรัสรู้ไว้ได้เสื่อมหายไปด้วยตัวของเราเองก็จึงต้องมี ค, าความเคารพยําเกรงในพระพุทธพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็พระสงค์ตามที่ท่านบอกว่าอย่างนี้แหละคือพระสงฆ์นะคะกับในเรื่องของอพวก สิขาซึ่งหมายถึงศีลต่างๆวินัยต่างๆแล้วก็เรื่องของสมาธิวันนี้เราก็จะฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนน ะ, นะคะและการติดตามรายการสั่งเสนิสมัชนาท่านจะได้ฟังคําสอนที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ยังไม่ได้ผ่านการปฏิรูปนะคะเพราะปฏิรูปในที่นี้เป็นปฏิรูปที่จะทําให้พระศิษธรรมเสือ่อมติดตามรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่พะพุทธวสวัสดีคะ่ะ